ห้าทุติยภละสูตรว่าด้วยผลแห่งการเจริญานาปานสติสูตรที่สองเก้ิภิกษุทั้งหลายอานาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอนิสง ม, มากอานาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมากมีอานิสง์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกสำเนียกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนีกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงมีผลมากมีอานิสง ม, มากภิกษุทั้งหลาย เมื่ อ, อนาปานสติที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุพึงหวังพลานิสงฆ์เจ็ดประการพลานิสงฆ์เจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งจะได้บรรลุอรหัตผลทันทีในปัจจุบันสองหากปัจจุบันไม่ได้บรรลุก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตายสาม หากปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่บรรลุก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตระปรินิพายีสก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปริณิพายี5าก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขาปรินิพายีหก ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้สัสังคาราปริณิพายี7ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธโสโตอากานิท t h a g ีเพราะอุทธธรรมภาคียสังโยชน้าประการสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเมื่ออนาปานสติที่ภิกษุจเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ภิกษุพึงหวังพลานิสงเจ็ดประการนี้ทุติยะพลสสูตรที่ห้าจบ